จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจขุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สี่มิถุนายนพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทลายได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาเสริมความเป็นเสรีมงคลให้แก่ชีวิต ด้วยการด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เร า, เาไม่คบคนง่อให้คบบัณฑิตคบคนฉลาดเพราะการไม่คบคนง่อการคบคนฉลาดจะนำความเป็นมงคลให้แก่ชีวิต ถ้าเราพบกับคนโง่คนโง่ก็เขาก็จะสอนให้เราโง่ตามเขาถ้าเราคบกับคนฉลาดคนฉลาดเขาก็จะสอนให้เราฉลาดเราถึงส่งลูกเราไปโรงเรียนกันเพราะโรงเรียนเป็นที่มีคนฉลาดเราไม่ส่งลูกไปตามบาตามผับเพราะตามบาตามผับตามกาสิโน เป็นที่สงสิงของคนโง่โรงเรียนมาหาวิทยาลัยหรือวัดวารามเป็นที่สมาคมของคนฉลาดของคนที่มีความรู้พอเราได้ไปคบกับคนฉลาดคบกับคนที่มีความรู้เราก็จะได้ฉลาดตาม ถ้าเราส่งลูกไปเรนโรงเรียนเดี๋ยวลูกก็จบเรียนหนังสือได้ปริญญาปริญญาตรีโทเอกกันแต่ถ้าเราส่งลูกไปตามบ่อนตามบาตามซ่องเดี๋ยวลูกเราก็กลายเป็นอันตรภานไปไปติดคุกติดตารางไปค้ายาเสพติดนี่คือลักษณะของคนฉลาดกับคนง้อง ทางพระพุทธศาสนานีนนอกจากจะฉลาดในทางโลกแล้วจะต้องฉลาดในทางธรรมด้วยจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความสุขความเจริญอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจถ้าเราได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้ครบ ไายพบกับคนที่ฉลาดที่สุดคนที่ฉลาดกว่าบัณฑิตในทางโลกบัณฑิตในทางโลกเช่นพวกที่เรียนจบปัญญาตรีโทเอกนี้ยังไม่ถือว่าฉลาดแท้ฉลาดครึ่งเดียวฉลาดทางร่างกายรู้จักเอาร่างกายให้รอดได้รู้จักทำรรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง มีเงนินมีทองมาเลี้ยงดูร่างกายแต่ยังไม่สามารถที่จะมีความฉลาดที่จะมาเลี้ยงดูจิตใจมารักษาจิตใจมาป้องกันจิตใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายมีแต่บัณฑิตทางพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่มีความรู้ที่จะสอนให้พวกเรานี อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้จบปริญญาเอกมาก็ยังต้องมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพรากจากสิ่งที่เรารัก<ม>จากบุคคลที่เรารักแต่ถ้าได้คบรบกับบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาครบกับคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงสาวก เราจะสามารถไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกับเราได้เราจะไม่ทุกข์กับความแก่จะไม่ทุกข์กับความเจ็บจะไม่ทุกข์กับความตายได้เพราะเราจะรู้จักวิธีทําใจควบคุมใจไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆนั่นเอง <c oughs> เหตุการณ์ต่างๆนี้ ไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจกันแต่เหตุที่ทำให้เราทุกข์ใจก็คือความที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับใจเราให้นิ่งให้สงบให้เฉยได้เท่านั้นเองถ้าเราสามารถควบคุมใจของเราให้นิ่งให้เฉยได้เราจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆจะไม่ทุกข์กับความแก่ จะไม่ทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกกับความตายจะไม่ทุกกับการพัาดพลาจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักถ้าเรารู้จักทาใจความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เราไม่รู้จักทาใจปล่อยให้ใจเราไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหาของความโลภของความอยากต่างๆ จึงทำให้เราต้องทุกข์กันเช่ mm hmm. นเวลาเราสูญเสียคนที่เรารัก mm hmm. เราก็ยังมีความอยากให้เขาอยู่กับเรา mm hmm. ไม่อยากให้เขาจากเราไป mm hmm. ทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เขาจากเราไปแต่ใจของเราก็ยังไม่สามารถทำใจได้ mm hmm. เพราะเราไม่เคยฝึกฝนอบรมจิตใจของพวกเรา mm hmm. ไม่เคยควบคุมบังคับจิตใจ ปล่อยให้จิตใจของเราไหลไปตามอารมณ์ตามความอยากต่างๆอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะซื้ออะไรก็ซื้ออยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปอยากจะได้อะไรก็ไปหามาถ้าเราปล่อยใจเราให้ไหลไปตามกระแสะความอยากต่างๆเดี๋ยววันดีคืนดีเราจะไม่สามารถทำตามที่เราอยากได้เช่นอยากให คนที่เรารักไม่จากเราไปพอถึงเวลาเขาต้องจากเราไปเราก็ห้ามความอยากที่ไม่ให้เขาจากเราไปไม่ได้เพราะเราไม่เคยหยุดความอยากเราไม่เคยฝืนความอยากเรามีแต่ทำตามความอยากกันพอจะฝืนพอจะหยุดความอยากก็หยุดไม่เป็นหยุดไม่ได้ เหมือนคนขับรถที่รู้จักแต่ขับให้มันวิ่งไปอย่างเดียวแต่ไม่รู้จักอจอดรถไม่รู้จักหยุ ด, ดรถพอถึงเวลาที่จะต้องหยุดรถจะต้องจอดรถก็ต้องหยุดด้วยการไปชนกับรถคันอื่นหรือไปชนกับเสาไฟฟ้าถึงจะหยุดได้คนเราที่ไม่รู้จักหยุดใจหยุดความอยากพอเวลาต้องหยุดก็ต้องหยุดหยุดด้วยน้าตา อยู่ด้วยความเศร้าโศกเสียใจเพราะเราไม่รู้จากวิธีควบคุมใจมังคับใจของเรานั้นเอง <c oughs> พระพุทธเจ้าจึงถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้เป็นบัณฑิตผู้ที่รู้วิธีที่จะควบคุมใจแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติใจของเราก็จะมีการควบคุม ใจของเราก็จะหยุดได้เวลาที่เราต้องหยุดเวลาสูญเสียอะไรก็หยุดความอยากไม่ให้สูญเสียเมื่อมันเสียก็ปล่อยมันเสียไปของต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้เป็นของเราเรามาตัวปเปล่าๆเดี๋ยวเราตายไปเราก็ไปตัวปเปล่าๆเราไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลยทรัพย์สมบัติข้าวเหงเงินทองเอาไปไม่ได้ สามีภรรยาบุตรทิดาเอาไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราก็เอาไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องควรจะคิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่บ่อยๆเพื่อที่เราจะได้หัดหยุดใจของเราไม่ให้ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ที่เราได้มาได้ไม่ให้มีความอยากที่จะได้สิ่งต่างๆมาเพิ่ม เพราะยิ่งมีมากก็ต้องยิ่งทุกมากเพราะอะไรเพราะมีมากก็ต้องจากกันมากมีน้อยก็จากกันน้อยถ้าเสียน้อยก็ทุกน้อยถ้าเสียมากก็ทุกมากถ้าไม่มีอะไรจะเสียเลยก็ไม่ทุกเลยหรือถ้ามีแต่ไม่ยึดไม่ติดก็เหมือนกับไม่มีอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระสาวกทั้งหลายในท่านรู้ว่า ท่านเกิดมาแล้วเดี๋ยวท่านก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายท่านรู้ว่าท่านจะไม่สามารถเอาอะไรไปกับตัวท่านได้ท่านก็เลยไม่เอาอะไรอยู่แบบไม่มีอะไรอยู่แบบไม่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอยู่แบบไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีทิดาอยู่แบบนกหากินไปวันวันหนึ่ง มีสมบัติแค่8ดชิ้นเท่านั้นเองคือบาดไว้บินทะบาทผ้าไตรไว้นุ่หงห่มมีเข็มขัดรัดเอวมีมีดโกนไว้ปงผมปงหนวดมีเข็มกระด้าวไว้ซ่อมจีวรแล้วก็มีที่กรองน้ำไว้สำหรับตักน้ำจากลำธารจากลำห้วยเพราะในลำธารลำห้วยจะมีตัวสัตว์ ที่อยู่ในน้ำถ้าไม่มีที่กรองตักก็จะตักตัวสัตว์ขึ้นมาก็จะดื่มน้ำไม่ได้เพราะถ้าดื่มน้ำที่มีตัวสัตว์ก็ถือว่าบาปเป็นการฆ่าสัตว์นี่คือสมบัติของของคนฉลาดของบัณฑิตมีเอามีเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไม่ต้องการที่จะมีมากไปกว่านั้น เพรู้ว่าพอร่างกายตายไปสมบัติทั้งหลายก็ต้องเอาไปไม่ได้งั้นมีน้อยเวลาจากไปมันก็จะทุกน้อยจะเสียใจน้อยมีมากเวลาจากไปจะเสียใจมากงั้นคนที่อยากรวยขอให้คิดให้ดีรวยแล้วยิ่งรวยมากเวลาจากไปก็ต้องเสียมากคนที่จนนี่เวลาจากก็ไม่มีอะไรจะเสีย เสียก็เสียน้อยทุกข์ก็ทุกข์น้อยร้องห่มร้องไห้น้อยเสียใจน้อย mm. นี่คือความจริงที่พวกเราไม่ได้มองกันไม่ได้คิดกันเพราะเราไม่ค่อยได้คบกับบัณฑิตไม่ได้เข้าหาพระพุทธเจ้าไม่ได้เข้าหาพระธรรมคําสอนไม่ได้ให้เข้าหาพระอริยสงสาวก mm. เราแม้จะคบกับพวกที่ตาบอดนะ mm. พวกที่คิดว่ารวยแล้วดี โลกที่คิดว่ามีอะไรมากๆแล้วจะมีความสุขพวกนี้เขาคิดแบบคนตาบอดคือเห็นเพียงด้านเดียวเห็นด้านสุขเห็นด้านได้แต่ไม่ได้เห็นด้านเสียไม่เห็นด้านทุกข์เพราะไม่คิดไม่รู้ว่าทุกคนที่เกิดมานั้นจะต้องจากโลกนี้ไปในวันใดวันหนึ่งและเมื่อต้องจากโลกนี้ไปก็จะไม่สามารถ เอาอะไรติดตัวไปได้เลยเมื่อเอาติดตัวไปไม่ได้ก็เลยต้องเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราได้มาคบกับบัณฑิตคบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพบกับพระอริยสงสากท่านจะบอกเราว่ามีสิ่งที่เราเอาอไปได้มีทรัพย์ภายในที่เราจะเอาไปได้ทรัพย์ภายนอกเราเอาไปไม่ได้ แต่ทรัพย์ภายในนี้เราเอาไปได้เรามีทรัพย์ภายในเราก็จะมีความสุขเวลาอยู่เราก็มีความสุขเวลาเราจากโลกนี้ไปเราก็จะมีความสุขเพราะเรามีทรัพย์ภายในหล่อเลี้ยงจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาทรัพย์ภายนอกนี้หล่อเลี้ยงร่างกายของเราเท่านั้นพอร่างกายนี้ตายไป ทรัพย์ภายนอกก็ไม่สามารถที่จะมาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาหาทรัพย์ภายในกันดีกว่าดูพระพุทธเจ้าทรัพย์ภายนอกไม่มีเลยมีเพียงแปดชิ้นที่เรียกว่าอัฏฐบริขารเท่านั้นแต่ทรัพย์ภายในนี่ท่านมีเต็มเปี่ยมเป็นระดับมหาเศรษฐีแสนล้านเลย มีนิพพานนิพพานนี่แหละเป็นอริยัทรัพย์เป็นทรัพย์สมบัติของมหาเศรษฐีที่แท้จริงเพราะผู้ที่มีพานนี้จะมีแต่บรล ม, มสุขมีความสุขตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ว่าจะตื่นนู่นจะหลับไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่นีแต่ความสุขของใจนี้จะมีอยู่ตลอดเวลาเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจ นี่แหละคือทรัพย์สมบัติของพระพุทธเจ้าของนักปราชญ์ส่วนพวกเรานี่ภายในใจไม่มีอารยะไม่มีทรัพย์ภายในเลยถ้าไม่มีทรัพย์ภายในติดตัวไปอะไรจะเกิดขึ้นเวลาตายไปก็จะต้องไปเป็นขอทานในโลกทิพย์ขอทานในโลกทิพย์ก็คือพวกที่มาเรารับส่วนบุญจากพวกเรานี่แหละเวลาที่เราทำบุญแล้วเรา กวดน้ําอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าเขามารอรับก็แสดงว่าเขาเป็นขอทานเขาไม่ได้เป็นเศรษฐีเขาไม่ได้มีทรัพย์ติดตัวไปเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เขาสนใจเพียงแต่การหาทรัพย์ภายนอกเขาไม่เคยคิดหาทรัพย์ภายในเลยเมื่อไม่หาทรัพย์ภายในเวลาตายไปก็เลยต้องไปเป็นขอทาน ในโลกทิพย์ต้องมารอรับส่วนบุญของญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือสิ่งที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่เข้าหาบัณฑิตไม่เข้าหาคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายแต่ถ้าเราได้เข้าหาพระพุทธเจ้าเข้าหาบัณฑิตเข้าหาพระอริยสงฆ์ท่านจะสอนให้พวกเรา เลิกหาทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกหาพอให้อยู่ได้ก็พอให้มีพอเพียงต่อการดำรงชีพได้ก็พออย่ารวยด้วยทรัพย์ภายนอกเลยเพราะว่าตายไปเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวตายไปถ้าไม่มีทรัพย์ภายในติดตัวไปตายไปจะไปเป็นขอทานในโลกทิพย์แต่ถ้าเราไม่เอาทรัพย์ภายนอกเอาเวลามาหาทรัพย์ภายใน เราจะเป็นเศรษฐีเวลาเราตายไปเราจะเป็นเศรษฐีในโลกทิพยนะ์เศรษฐีหลายระดับระดับเทพระดับพรหมระดับพระอริยเจ้าระดับพระนิพพานนะนี่คือทรัพย์ที่เราสามารถที่จะเอาติดตัวไปกับเราได้ดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมาหาทรัพย์ภายในกันดีกว่าอย่าไปหาทรัพย์ภายนอก รับภายนอกหาใหพ้พอเพียงต่อการดำรงชีพก็พอเช่นมีปัจจัยสี่ก็พอแล้วมีที่อยู่อาศัยมีอาหารมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งหม่มถ้ามีพอเพียงแล้วก็ถือว่าเราได้ได้ความสุขทางร่างกายเต็มที่แล้ว จะให้มีมากไปกว่านี้ก็ไม่สามารถได้ความสุขไปมากกว่าไปกว่านี้ร่างกายรับความสุขได้จากปัจจัยสีเท่านั้นจะมีบ้านกี่หลังก็ไม่ได้ทำให้มีความสุขทางร่างกายเพิ่มขึ้นจะมีเงินทองมากน้อยเพียงายเกินความจำเป็นก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายมีความสุขมากขึ้นร่างกายก็เท่าเดิม ดังนั้นอย่าเสียเวลากับการมาหาทรัพย์ภายนอกเอาเวลามาหาทรัพย์ภายในกันดีกว่าทรัพย์ภายในคืออะไรก็คือการทำบุญบุญต่างๆนี่แหละคือทรัพย์ภายในบุญมีหลายชนิดด้วยกันบุญที่เราทำกันเป็นประจำก็คือบุญที่เกิดจากการให้ทานอย่างวันนี้ญาติโยมนามาเอาของอาหารขาวหวานเครื่องใช้ไม่สอย กับข้าวกับปลาอะไรต่างๆมาถวายพระที่เรียกว่าเรากำลังกำลังสร้างทรัพย์ภายในทรัพย์ที่เกิดจากการให้ทานทรัพย์ภายในเรียกว่าบุญวันนี้เรามาทำบุญด้วยการให้ทานและเรายังสามารถทำบุญได้มากไปกว่า น, นี้ถ้าเราทำบุญด้วยการรักษาศีลเราก็จะได้บุญเพิ่มมากขึ้น แล้วถ้าเรามาทําบุญด้วยการนั่งสมาธิเราก็จะได้บุญเพิ่มมากขึ้นและถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมทาให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราควรที่จะอยากได้กันเพราะตายไปก็เอาไปไม่ได้สู้มาเอาทรัพย์ภายในดีกว่านี่คือบุญต่างๆทรัพย์ภายในต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพยายามทํากันให้มากๆถ้าเราทําทานเรารักษาศีลได้ไม่ทําบาปเราตายไปเราก็จะได้ไปเป็นเทพเป็นเศรษฐีระดับเทพแต่ถ้าเราไม่ได้ทําบาปแต่เราไม่ได้ทําบุญเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็จะเป็ น, เ, ปนเศรษฐีระดับพรหม ถ้าเศรษฐีระดับเทพเป็นเศรษฐีระดับร้อยล้านเศรษฐีระดับพมก็เป็นเศรษฐีระดับพันล้านแล้วถ้าเราอยากจะเป็นเศรษฐีสูงกว่าระดับพันล้านเราก็ต้องฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นของชั่วคราวเป็นของที่เราเอาติดตัวไปไม่ได้ ให้เราปล่อยให้เราอย่าไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ให้มาหาสิ่งที่มีอยู่ภายในใจเราหาอริยทรัพย์พอเรามีปัญญาเราก็จะหยุดหาหยุดอยากสิ่งต่างๆใจของเราก็จะได้อริยทรัพย์เต็มร้อยขึ้นมาเป็นนะเป็นพระนิพพานขึ้นมาใจที่ เป็นพระนิพพานนี้เป็นใจที่มีแต่ความสุขตลอดเวลามีแต่ความอิ่มตลอดเวลาไม่มีความทุกข์ไม่มีความหิวไม่มีความอยากจึงไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแต่ถ้ายังไปไม่ถึงขั้นที่อิ่มีมความสุขมีความอิ่มเต็มร้อยก็ยังต้องกลับมาเกิดตามภพต่างๆแล้วแต่ความอยากถ้าอยากมากก็กลับมาเกิดเป็นมนุษ ถ้าอยากน้อยก็กลับไปเกิดเป็นพรหมถ้าไม่อยากเลยก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาบัณฑิตถ้าเราเข้าหาบัณฑิตเราก็จะได้รู้เรื่องทรัพ์ภายในถ้าเราไม่หาบัณฑิตเราครบคนโง่คนไม่ฉลาดเราก็จะหาได้แต่เพียงแต่ทรัพ์ภายนอกและเวลาที่เราตายไป เราก็จะไปเป็นขอทานนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการการครบคนพาลกับคบบัณฑิตพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าถ้าเราอยากจะให้และชีวิตของเรามีแต่ความเป็นสิริมงคลมีแต่ความสุขความเจริญเราก็ต้องไม่คบคนพาลไม่คบคนโง่เราต้องคบบัณฑิตคบคนฉลาดแล้วชีวิตของเรา จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาทั้งในขณะที่มีร่างกายและหลังจากที่ไม่มีร่างกายไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจของเราก็ยังจะมีความสุขต่อไปเพราะใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราจะสุขหรือไม่สุขอยู่ที่ว่ามีทรัพย์ภายในหรือไม่มีทรัพย์ภายในดังนั้นขอให้เรามาสร้างทรัพย์ภายในให้แก่จิตใจของเราเถอ แล้วชีวิตของเราจะมีความสุขในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี่คือเรื่องของความเป็นสิริมงคลที่เกิดจากการไม่ครบคนปั๊โง่ไม่ครบคนพาลครบบัณฑิตครบคนฉลาดดังที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าอ า, อาเซวนาจบาลานะัง บันดิตานันจ่าเสวะนังเอตัง ม, มังกัลมุตตะ ม, มัง <Yeah. S 1> การไม่คบคนโง่การครบคนฉลาดเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิต <Yeah. S 1> ดังนั้นถ้าท่านทั้งหลายอยากจะมีความเป็นสิริมงคลมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ท่านจงนําเอาคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินี้นําเอาไปปฏิบัติเถิด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 ได้ความเจริญด้วยอายุวันสุขะภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ